ระยึดหลักการปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างจริงจังเช่นเราจะยึดในหลักสมถกรรมฐานสี่สิปะกามีพุท ธ, ธานุสติเป็นต้นแล้วผู้ปฏิบัติตั้นมุ่งที่จะทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ฟังการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยให้จิตของเรามีพลัง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 เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของสู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธาล้วจะได้เกิดกิริยาอุตสาหะในการปฏิบัติาการปฏิบัติธรรมฐานเนี้ในมาพุทธมาถึงตอนนี้อาจจะมาถอยากจะขอให้กติเชอนใจบรรดาท่านผู้สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายในสิ่งที่ควรสังวรระวัง การปฏิบัติสมาฐานโดยสายส่งนั้นให้ยึดหลักมหาสติปัฏฐานแล้วอย่าไปภาชนาให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาใช้อำนาจจิตมาช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้นอาตมาเห็นว่าไม่มีผู้ใดจะวิเศษยิ่งไกว่าสมเด็จเจะสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมและชี้แนวทางให้ผู้ปฏิบัติดาเนินตาม ลงผลจสุดท้า ย, ยก็สรุปลงไปว่าอาคาตาโรตถาทตาทตาถาพคตเป็นต เ, เพียงผู้บอกพระองค์ยังออกตัวถึงขนาดนี้ภาสาวลกในปัจจุบันหรือจะพิเศษวิโสยิง่งไปกว่ า, ร า, พ, าพระพุทธเจ้าก็จะนั้นรักปฏิบัติเพื่อมุ่งความสาเร็จในการปฏิบัติอย่างจริงจังโปรดจะได้ปล่อยหรือหลงให้ไครสักกดหนึงมาใช้อํานาจบังคับจิตใจของเรา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 เราทำว่าพุโทโธเป็นแป่เพียงสื่อนาจิตให้เดินเข้าไปสู่ความสงบเพื่อเป็นอุบายพลาดจากความเคลีที่มันวุ่นวายอยู่กับสิ่งต่างๆให้มารวมอยู่ในจุดเดียวคือพุโทโธเสร็จ แ, แ ว, ว่าจิตรวมอยู่ที่พุโทโธจิตก็จะสงบสงบแล้วคําว่าพุโทโธจะหายไปยังเหลือแต่สภาว่าจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ภายในจิตของผู้ภาวนาอันนี้คือ เจตพัาน์ปูภาวนาเป็นไปโดยสมรรถภาพหรืพลังของตัวเองละอีกอย่างหนึ่งเคได้พบได้เห็นเช่นอย่างบางท่านเรียนสมมาฐานแล้วก็ให้อาจารย์สมมาฐานนั้นลงอักขลัมีการปลุกเสกสวดเจติอะไรเข้าไปให้พอไปภาวนาแล้วเมื่อเจตเิดมีสมาธิขึ้นมาบ้างในขนาดอุปจารสมาธิอ่อนก็ถูกอาถรนวิชานั้นเข้าครอบ พอครอดแล้วสติสตังไม่สามารถที่จะควบคุมจิตของตัวเองได้กลายเป็นคนวิกลจริไตไปก็มีการปฏิบัติสมาธิตามหลักของพระพุทธเจา้านี้ในขณะใดที่เรายังไม่สามารถที่จะทําจิตเท่บรรลุคุณธรรมขั้นสูงทุกขนาดมรรคนิพพานเราภาวนาแล้วเราสามารถเอาพลังสมาธิี่ยโดยใช้ประโยชน์ในทางการงานทางโลกที่เรารับผิดชอบอยู่ เพราะการทำสมาธิทำให้ผู้ภาวานามีสติสัมปชัญญะมีจิตเป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวานาเป็นแล้วมีสมาธิดีแล้วมีสติสัมปชัญญะดีแล้วก็สามารถที่จะใช้พลังสมาธิของตัวเองเป็นอุปกรณ์ในการทำงานได้ครบอย่างดีและ พลังของสมาธิในสติปัญญาที่ท่านอบรมมาแล้วนั้นจะเป็นเครื่องกระตุน้นชวนความรู้สึกของท่านให้เป็นผู้ไม่ประมาตไม่กระมาตทั้งงานตาในทางโลกในทางธรรมอันนี้จึงจะเป็นไปโดยถูกต้องแต่ถ้าภาวานาแล้วจิตมีสมาธิแล้วทําให้เบื่อหน่ายโลกไม่อยากอยู่กับโลกไม่อยากอยู่กับครอบครอันนั้นเป็นความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง แล่ความคิดเห็น น, นั้นไม่ใช่มันเป็นไปด้วยอำนาจของความเป็นจริงของจิตใจแต่หากมีอำนาจสิ่งหนึ่งมาคอยบงังคับจิตให้มีความรู้สึกเป็นไปเช่นนั้นโลกนี้ไม่ใช่โลกที่หน้าดูนหนายโลกนี้ไม่ใช่โลกที่ที่น่าเกลียดหน้าช้ำโลกนี้เป็นโลกที่ทุกคนควรจะศึกษาให้เาให้รู้ข้อเทจจริงขอ ง, งความเป็นไปของโลก ในเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ข้อแท้จริงของโลกว่ามันเป็นอย่างไรและไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตใจของตัวเองว่าเป็นอย่างไรมันมีความติดอยู่ในโลกอย่างไรปูพันอยู่ในโลกอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะแค่ปัญหาภายในจิตใจของเราได้สําหรับการตอบปัญหาในขอน้อนี้ขอขอุติเพียงแค่นี้ข้อที่สองก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติสมฐาน จำต้องขอกรรมาฐานต่อถ้าที่สุสูงก่อนหรือไม่อันนี้จะขอก็ได้ไม่ขอก็ได้แ ล, ะะล้วแต่ความพอใจถ้าหากไปหาท่านอาจารย์องค์ใดถ้าท่านมีวิธีการให้ขอก็ขอแต่อย่าไปยึดแต่ถ้าอาจารย์องค์ใดจะให้กรรมาฐานแล้วมาลงคาถาใส่กระหมอ่อมแล้วอย่าไปเอาเด็กค่ะ หากเพียงแค่ว่าไปบอกฝากเนือ้อฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอให้ท่านสอนกรรมาฐานให้โดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจทางใดที่จะให้เราได้หูใจดีแล้วก็ขอให้ท่านสอนถ้าอย่างนี้เอาถ้าว่าเรา <c oughs> เราไม่ต้องการที่จะขอจากใครก ำ, ำลังําราก็มีตนังสืออ่านก็มี เราอาจจะอาศัยตำลานั้นเป็นหลักปฏิบัติก็ได้แต่ว่าควรจะมีอาจารย์นั่นแหละี่็ป้องกันความผิดพลาดในปัญหาต่อไปทำอย่างไรจึงรู้จึงจะรู้กรรมเก่าในอดิตของเราว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้แก้กรรมนั้นให้หายไป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 มีเท่าเดียวแต่ว่าเราเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วส่วนความชั่วในชาติอดีตนั้นเราอาจจะมีแต่ในชาตินี้เรามีความรู้สึกสํานึกผิดชอบชั่วดีแล้วและเชื่อผลของกรรมแล้วว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราก็พยายามละเว้นจากการทําชั่วทาแต่ดีทําแต่ดีเรื่อยไป เนื้อมาทําแต่ดีทําแต่ดีด้ว่อยไปถ้หาหกเรามีการทํำสมาธิภาวนาเราสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ส่วนผลกรรมเก่าแม้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วยังต้องได้รับอยู่เช่นพรโมกขลาเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาสาคัญที่เราจะต้องไปแก้กรรมเก่าทำแต่ความดีใหม่ในปัจจุบันนี้ให้มากมากขึ้น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 มันลู้มรรผลที่ผ่านแล้วถึงแม้ว่าการเก่ามันจะตามมาทันให้ผลในอัตภาพนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะประทุษร้ายจิตใจของเราให้เป็นอย่างอื่นได้ปัญหาก็ต่อไปการเห็นนามโรคเกิดจับเห็นเป็นลันกษณะอย่างไร และภูมจิตอยู่ในขั้นไหนอันนี้เป็นปัญหาที่มีความละเอียดพอสมควรการเห็นนามโรคเกิดจับอันนี้จะขอนำไปศึกษการ์ที่เคยผ่านมามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังแต่มันจะอยู่ในลักษณะที่นามโรคเกิดจับหรือไม่ จะขอบากท่านทั้งหลายไว้ช่วยพิจรารณาในขณะที่เรากำหนดจิตจะทำสมาธิภาวนาลงไปพอกำหนดจิตพักลงไปเราจะรู้สึกว่าจิตของเรารู้ทั่วทั้งกายแล้วก็ู้เวทนารู้จิตูลธรรมโดยสัญญา เมื่อเราบริกรมรมโภาวนาลงไปแล้วจิตท้องเราสงบเป็นสมาธิและเหยีดลงไปลมหายใจก็ดับร่างกายที่ปราปวดจู่ก็ดับเคยจิตไม่สําคัญมั่นหมายในลมหายใจและกายเป็นว่ากายในลมหายใจหายไปหมดยังเหลือแต่สภาพจิตที่สง บ, บนิ่งเด่นอยู่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 นโยคาวรวจรมาพิจรารณากายโดยแ ล, ล้วถึงความตายคนฟ้าพิจารณาไปจนกระทั่งรู้แท้เห็นจริงลงไปว่ากายนี้ตายลงไปแล้วแล้วกายของผู้ภาวนา น, นั้นก็ปรากฏว่าเพื่อนอื่นเล่าตววผูกคังในที่สุดยังเหลือตัดโรงกระดุก แล้วกครงกระดูกก็สลายตัวละเอียดเป็นผงลงไปหายไปในพื้นแผ่นดินทั้งหมดในที่สุดพื้นแผ่นดินก็หายไปด้วยยังเหลือแต่สภาพจิตนิ่งเด่นสว่างสบายอยู่เท่านั้นอั น, นี้จิตไม่มองเห็นวัตถุยังเหลือแต่จิตนิ่งเด่นอยู่สว่างสบายอยู่อันนี้ขอให้แนวคิด เพื่อฝากเป็นปัญหาให้ท่านรับปฏิบัติและนักศึกษาทั้งหลายนำไปคิดพิจรารณาพวกเป็นการบ้านในขณะที่ผู้บริอาผู้ทําสมาธิประวาัารู้พิจารณาทำอะไดอยู่ก็ามในขณะที่รู้สึกว่ามีกายอยู่รู้สึกว่ามีลมหายใจอยู่ข้างนานเลยลูปราบกดจุกร้นห้ากัน ก็กายปลากรดมีอยู่เวทนาก็ปรากรดมีอยู่สุขทุกข์จังปรากรดอยู่เช่นอย่างสศกเกิดแต่กิจิต ก, ก็เป็นภาวนาก็เป็นเวทนาเรียกว่าสุขเวทนาเมืเ่อละเอียดองไปแล้วสงบละเอียดลงไปแล้วกายลมหายใจปรากรดว่าหายไปยังเหลือกิจิต เจตไม่มีความรู้สึกว่ามีกายตายก็คือโลกนั่นก็ดับไปแล้วในเมื่อโลกดับไปแล้วเตธนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดับไปด้วยอุเบกขาเตทนาเจียงปลากุเิ็นชัดขึ้นตัวตามตัวจิตปรากุติล่นชัดขึ้นจึงมีคําโพูดว่าโลกดับนามสุขโลกดับนามกข ส่วนท่านผู้อื่นจะมีความเข้าใจอย่างไรนั้นขอฝากต้นการบ้านช่วยกันพิจารณาอันนี้ไม่ขอตัดสินสำหรับปัญหาข้อที่สองเวลานั่งเจตภาวนาเจตยังไม่ถึงอุปจาระกำหนดให้เห็นลูกน้ำเกิดจับเป็นปัจจุบันนะั้ทำได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเพียง การปรับปรุงและปรุงแต่งปฏิปทาเท่านั้นการเลื่อนวันนี่รูป น, นี่นามโดยความตัง้งใจโดยเจตนาอันนี้เป็นขั้นปฏิบัติภ้าปรุงแต่งปฏิปาทาคือข้อปฏิบัติแต่รับปฏิบัติจําเป็นจะต้องพิจารณารูปนามด้วยความตั้งใจที่จะคึกพิจารณา เพื่อเป็นแนวทางให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิสตสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วจิตนั้นจึงจะพิจารณารูปตามไปเองโดยอัตโนมัติอาภัณหาอีกข้อต่อไปรูปคือร่างกายจะเห็นเกิดตับได้อย่างไรถ้าไม่ได้สมาธิถึงอัปนา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 ในอัปนาจิตอัปนาสมาธิยังไม่เคยผ่านตามพิจารณาอะไรมาจิตจะไปสงบลิ่งอยู่เฉยๆแต่ถ้าหากว่าจิตจะเริ่วิปัสสนาขั้นละเอียดจิตอยู่ในลักษณะแห่งอัปนาสมาธิเหมือนกันแต่ก็าสามารถมีเครื่องรู้เครื่องเห็นภายอ布拉สุขขึ้นภายในจิตสิ่งที่จะให้จิตรู้สิ่งที่จะให้สติระลึกนั้นมีปรากฏอยู่ แต่จิตก็มีอยู่ในลักษณะที่สงบเป็นอัปปนาสมาธิ mm hmm. ทีนี้อัปปนาสมาธิในเบ้นงต้นนั้นเป็นแต่เพียงปฐมปจิตปฐมวิญญาณมนุษยธาในเมื่อสมาธิผ่านเข้ามาในจิตหรือจิตเป็นสมาธิบ่อยๆผ่านการพิจารณาหนักเข้าจิตนั้นจะมีพลังเมื่อออกไปรับรู้อารมณ์ภายนอกโดตการสำคัญก็คือสติ ที่จะตามรู้ตามเห็นตามความรู้สึกนึกคิดทั้งนั้นแล้วแม้ในขณะที่จิตสงบเพ่งเป็นสมาธิจังไรบีตัวสติตัวนี้จะเป็นผู้รู้ทันเหตุา ก, การณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตส่วนความเข้าใจอละเอียดนั้นขอฝานกนักปฏิบัติไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งที่สมมาว่าไปนี้จะเปิมเชื่อเพียงแต่รับฟัง สิ่งใดถ้าฟังแล้วเชื่อเลยก็ต้องโหในเมื่อฟังแล้วปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็โลอีกเราจะนั่นนักปฏิบัติศึกษาธรรมต้องพิจรารณาตัดสินโดยสติปัญญาข้อสี่ทำจิตภาวนาเพียงสงบนิ่งจะทำนิัพสนาไปพร้อมด้วยจะทำอย่างไรทำจิตเพียงแค่สงบนิ่ง พอที่จะสามารถควบคุมจิตให้นึกคิดถึ่ในสิ่งที่เราต้องการได้จเจริญนวิปัสสนาในแนวทางแห่งความนึกโดยใช้สัญญาความรู้ที่เราเรียนมามาคิดพิจารณาเอาโดยความตั้งใจเช่นเราอาจจะคิดว่าโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แล้วก็ถามปัญหาตัวเองว่าใมเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรแล้วก็ตอบตัวเองไปถามตัวเองไปซึ่งสามารถที่จะควบคุมจิตให้นึเคิดอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวที่เราต้องการอันนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาไ ป, ปรพร้อมกันแต่หากยังไม่ใช่ตัววิปัสสนาในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตรู้แจ้งเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เราพิจรารณาว่า อันนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างจริงจังเจตสงบติต้งลงไปแล้วตัดสินึม้มาว่านี่คืออ น, นิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์จริงอันนั้นจึงจะเป็นวิปัสสนาขณะที่เราพิจารณาอยู่นี้เป็นแต่เพียงภาบปฏิบัติเท่านั้นขอทราบเพียรเพียงได้ทราบอาริยสัจสี่โดยสังเขต การสังเกตเจตที่ได้ทราบอริยสัจสี่อันนี้จะสังเกตเหตุประสบประสบการณ์ซึ่งเคยผ่านมาในบางครั้งทวกในอริยสัจเป็นพวกของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ พราะตบงชัดตัวตรงคิดว่าโศกกาเปริเทวทุกขโทมนัตถ้าสิ่งที่ไม่มีจิตม่ใจสิ่งนั้นไม่มีทุกไม่มีโทมนัตไม่มีความคัดแคดใจไม่มีความทุกขใจที่ได้าการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่นั้นเราจะเพิ่มสังเกตได้ไดขณะที่จิตของเราได้ผ่านการพิจารณาอะไรลงไปแล้ว เมื่อจิตไปสง บ, บนิ่งในลักษณะที่ประชุมพ้อมของอริยมรรคพื่อศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งที่ดวงจิตแล้วมีประสิทธิภาพที่จะทําให้จิตของเรานิ่งเด่นสว่างสวายยุดในขณะนั้นจิตจะมีสิ่งที่รู้ปรากฏผ่านเข้ามาเรื่อยๆในเมา่จิตผ่านมีสิ่งที่ผ่านเข้ามาถ้าเจิตอยู่ใน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 ถ้าจิตได้ผ่านเข้ามาถ้าจิตไปยึดแล้วก็เกิดความยินดีความยินดีนั้นตรงตามมาตัญหาถ้าจิตไปถ้าจิตไปยินดีในสิ่งนั้นก็เป็นตามมาตัญหาถ้าเยอดในสิ่งนั้นก็เป็นภวะตัญหาถ้าหากว่าจิตไม่พอใจในสิ่งนั้นคือดุอาไม่ยินดีเป็นการยินร้ายก็เป็นวิวิภ ว, วะตัญหา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 ทุกวันนี้ได้พยายามนั่งสมาธิทุกเช้าค่ำประมาณครึ่งชั่วโมงแต่สมาธิไม่มีเลยการนั่งสมาธิทุกเช้าค่ำทุกเช้าค่ำประมาณครึ่งชั่วโมงวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงท่านทําสมาธิเพียงหนึ่งชั่วโมงยี่สิสีชั่วโมง ทำสมาธิโดยเฉลี่ยแล้วเพียงหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสามชั่วโมงหรือชั่วโมงที่นอกจากเวลาท่านหลับท่านปล่อยความรู้สึกให้เป็นไปตามอารมณ์โดยปาราศจากการทำ ต, ติเข้าใจว่ามันไม่คุ้มค่าเวลาที่ปล่อยให้เสียไปถ้าอยากจะให้เจยดมันเป็นสมาธิได้เร็ว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 ก็ให้กำหนดตามโลอารมณ์คือความคิดที่มันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยความคิดอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดโลโลเฉยๆ เ, เอาตัวโลเนี่เป็นตัวสําคัญตัวโูเนี่คือทำตติเราพยายามทำตติปุ้กิริยาบทแม้จิตจะไม่สง บ, บเป็นสมาธิอย่างตำลาที่ท่านเขียนไว้ก็ตามเราจะได้พลังคือตติเพิ่มขึ้น อัน้สำหรับตอบปัญหากตอนนี้ก็ขอตอบเพียงแคนี <c oughs> ้ปัญหาต่อไปการพิจรารณาประไตรลักษ์พิจารณาได้ทั้งกายเวทนาจิตธรรมใช่หรือไม่การพิจรารณาประไตรลักษ์ในเมื่อเรากําหนดจิตลงไปโดยปกติเราจะรู้ว่าเรามีกายในเมื่อยังรู้ว่ามีกาย เราย่อมรู้ว่าเรามีเวทนาในมาู้ว่ามีเวทนาจิตก็คือตัวผู้รู้นั่นเองธรรมก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงของของจิตหนกายและอีกอย่างหนึ่งธรรมในกาไรในใ น, ในมหาปฏิปท า, านเนี่ยส่วนมากท่านจะกำหนดเอานิวอนห้า ในเมื่อกำหนดจิตลงไปรู้ว่ากายก็ย่อมรู้ว่ามีเวทนาสุขหรือทุกข์เพว่าเวทนานี้มันเกิดจากกายทีนี้ตัวรู้นั่นก็คือจิตในขณะที่เราภาวนาอยู่นั้นกิเลสตัวใดมันเข้ามารบกวนเราย่อมรู้อันนี้ในขณะที่เรากําหนดกายเวทนาจิตทมที่จิตยังไม่สงบ ในเมื่อจตสงบลงไปแล้วอยู่ในระดับขั้นอุปจารสมาธิเราจะรู้เวทนาเป็นสุขคือสุขเวทนาเพราะจิตในเมื่อมีเครื่องกาหนดกาหนดลภ ก, กายกลายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องลูภของจิตเป็นเครื่องละเลึกของสติทำให้เรามีสติดีขึ้นในเมื่อมีสติปรนะครับรประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้ เจ็บก็ยะมีอาการสงบลงไปเมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจะเกิดปีติและความสุขอันนี้เบียถนาทุกขายไปมีแต่ความสุขความปีติเท่านั้นทีนี้ถ้าหากว่าจิตมันผ่านความปีติหลืความสุขไปแล้วจิต เ, เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิวิตกวิจารปีติสุข หายไปหมดยังเหลือแต่จิตนิ่งเป็นสมาธิสว่างสวเด่นอยู่อย่างนั้นในตอนนี้จิตเป็นกลางซึ่งเรียกว่าอเุเบกขาความรู้สึกตองผู้ทาจิตได้ถึงขั้นนี้ความสุขจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์มีแต่ความเฉยๆเป็นกลางจิตมีลักษณะนิ่ง สว่างเจ่นใสเบิกบานตืน่นรู้อยู่ภายในตลอดเวลาที่จิตดำรงอยู่ในสภาพเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิในตอนนี้ความรู้สึกว่ามีตายมีเวทนามีทมหายไปยังเหลือแต่จิตตัวรู้อันเดียวเท่านั้น